บทภาชนีนีติกะปาจิตตีน้ำเมาภิกษุสำคัญว่าเป็นน้ำเมาดื่มต้องอบัตปาจิตตีน้ำเมาภิกษุไม่แน่ใจดื่มต้องอบัตปาจิตตีน้ำเมาภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่น้ำเมาดื่มต้องอบัตปาจิตตีทุกทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุสำคัญว่าเป็นน้ำเมาต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่น้ำเมาภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่น้ำเมาไม่ต้องอบัต